การไม่ให้เชื่อในทางที่อานผิดพลาดส0บประการในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนขึ้นใจกันมากถึงคำสอนในการละมสูตรที่สอนไม่ให้ด่วนเชื่อในทางที่อานผิดพลาดได้ส0ประการปรากฏในพระสุตตานตปิฎกพระไตปิฎกเล่มยสิบอย่าถือโดยฟังตามกันมา ส อ, อย่าถือโดยนำสืบๆกันมา 3. อย่าถือโดยเชื่อข่าวลือสอย่าถือโดยอ้างตำราหาอย่าถือโดยนึกเดาเอา6อย่าถือโดยคาดคะเน7อย่าถือโดยตรึกตามอาการ8อย่าถือโดย ชอบว่าตรงกับความเห็นของตน 9. อย่าถือโดยเห็นว่าผู้พูดควรเชื่อถือได้และสิบอย่าถือโดยนับถือว่าท่านผู้นี้เป็นครูของเราครั้นแล้วได้มีคำสอนว่าควรจะเชื่ออย่างไรต่อไปอีกว่าเมื่อใดท่านรู้ได้ด้วยตนเองว่า ธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษนักปติเตียนเมื่อทำแล้วย่อมให้เกิดแต่ส่วนที่ไม่เป็นประโยชน์และความทุกข์ท่านควรจะละธรรมะเหล่านั้นเสียธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษนักปราสันเรินเมื่อทำแล้วย่อมให้เกิดประโยชน์และความสุขท่านควรเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นอยู่ หลักธํานองเดียวกันนี้มีตรัสไว้หลายแห่งเช่นในพัทธิยาสูตรพระสุตตันตปิฎกพระไตปิฎกและมี 21, สิบเอ็ดก็ทรงสอนไว้เช่นเดียวกันคำสอนนี้ฝรั่งสนใจมากและถือว่าเป็นวิธีค้นความจริงที่ต้องตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงหมาเหตุผู้อ่านคำว่าอย่าถือโดยนั้น